พระธรรมเทศนาแผ่นที่106ลำดับที่12โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่29ตุลาคม2559มีชื่อเรื่องว่าประกอบความดีปูชาพระราชาอ้าวลูกหลานอยู่ในความสงบทินีหนังในเรียบร้อย มีอะไรหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังหลวงตาจะพูดอะไรให้ฟังวันนี้ลวงลวงตารวยและเลยวันนี้โอ้ถ้าเป็นน้ําแม่น้ําเจ้าพญาแม่น้ําเจ้าพญาหนองวันนี้นะน้นําหนองวันนี้นะเ อ, อแต่ไปถึงบางบางช่วงกับน้ําแห้งก็มีเหมือนกันนะลูกหลานนะไม่ใช่ว่าจะรวยอย่างนี้ตลอดไม่ใช่นะ นี่ว่าอติเลกลาบมันมีขึ้นมีลงเหมือนพวกเราท่านทั้งหลายเหมือนกันนะบางทีการทำมาค้าขายกันรวยเอารวยเอาพอรวยเอาก็ไม่รู้จะเก็บใช่ไหมไม่รู้จะกักตุนเอาไว้ผลที่สุดพอมันพอมันหมดทนี่พอมันหมดเงินก็ร้องหมร้องให้ในสมัยที่มันมีก็ไม่กักตุนแต่หลวงพ่อเนี่ยไม่กักตุนพราหลวงพ่อเป็นพระนะ หลวงพ่อปักไม่กักตุนมิแต่กักตุนนี่กักตุนเพื่ออะไรก็เพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อนั้นเอาแบ่งคนนั้นแบ่งคนนี้ไปวันนี้เป็นวันที่2 9่สกตุลาคมพุทธศักราช2องพันห้าก้และก็วันที่13ตุลาที่ผ่านมาพวกเราก็ได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง คนในชาตินะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้รู้ได้เห็นได้ผ่านมาเพราะพวกเราอยู่ในกรุงเทพคงจะรู้ดียิ่งกว่าหลวงพ่อที่อยู่ในชนบทอยู่ในปา่าดงพงภัยแต่ถึงยังไงหลวงพ่ออยู่ในปา่าดงพงภัยหลวงพ่อก็ล้ำลึกถึงพระคุณของอพระ อ, องค์ท่านเพราะว่าประเทศชาติชาติไทยของเราพระพุทธศาสนาที่จเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาถึงบัดนี้พวกเรา คนในชาติหรือว่าพระพุทธศาสนาถ้าจะเปรียบเทียบทุกวันนี้แล้วก็พระพุทธศาสนาในเมืองไทยนี่ยจเจริญรุ่รงเรืองมีกฎเกณฑ์มีกฎระเบียบมากกว่าต่างประเทศในโลกทุกวันนี้พูดอย่างนั้นได้เพราะว่าถึงยังไงพวกเราก็เห็นพระสงฆ์หรือว่าพุทธบริษัทสีของพระพุทธเจ้า ก็ยังไม่เป็นที่ประทับใจบางครั้งแต่ถึงยังไงถ้าเปรียบเทียบกับประเทศในละแวกนี้หรือประเทศนับถือพระพุทธศาสนาแล้วประเทศไทยของเราจะเหนือกว่าเหนือกว่าเพราะอะไรเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชื่อทอดพระพุทธศาสนาเป็นตัวอย่างให้กับพวกพุทธศาสนิกชน อ, อ, อย่างเมื่อพระองค์ได้ทรงพระโวดน เ, เมื่อ60ปีให้หลังนะพระ อ, อ, องค์ทรงผลนวด60ปีแล้วนะลูกดานนะทำไมจึงหลวงพ่อจึงว่า60ปีพ่อเมื่อวานนีหลวงพ่อไปแสดงธรรมอยู่ที่วัดบวรคณะกรรมการเขาเมีจดหมายไปว่าพระ อ, องค์ครอบครอบคลองราช70ปีแล้วก็คอรอบครับทรงผู้นวด60ปีเมื่อวานนีตอนบ่ายสอโมงนะ หลวงพ่อไปแสดงธรรมที่วัดบวรนิเวศพระสงฆ์บวชทั้งหมด60ว่ารูปและก็รวมทั้งพระนวากะที่บวชเข้ามาในช่วงนี้นะก็มาร่วมกันฟังเทศที่หลวงพ่อไปแสดงธรรมและก็พุทธบริษัทสี่ เ, เมื่อวานก็เต็มห้องอห้องห้องแสดงธรรมเป็นการถวายบวชเข้ามาเพื่อเป็นการถวาย เป็นพระราชกุศลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่แหละเมื่อวานนี้พลเรืพรหลวงพ่อจึงรู้ว่าพระองค์ทรงผนวดมาหกิปีนี่แหละขนาดพระองค์เป็นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ยังเสียสละความสุขทางโลกเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเป็นตัวอย่างของพระศกนิกรถ้าหากว่าพ่พระเจ้าแผ่นดินไม่บวชนะพระเจ้าแผ่นดินไม่ทรงผนวดนะพวกเศรษฐีพวก ความรู้สูงๆนะจะเข้ามาบวชก็คงกระอักกระอวนเพราะว่ า, เ, าเหมือนกระตัวเองเนี่ยเอคล้ายๆว่าทําไมเป็นนับถือของคือของล้าสมัยพระพุทธศาสน า, าแต่เมื่อพระเจ้าแผ่นดิน พ, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผนวดขนาดพระองค์เป็นจอมอปราดเป็นจอมประเทศชาติเป็นผู้ใหญ่สุดของประเทศท่านจึงทรงผนวดท่านเสียสละลงมาบวช พุทธศาสนาต้องมีมีดีแน่เพระองค์จึงส่งผนวดแต่ตามไม่จริงก็ดีอยู่แล้วแต่พวกเราจะเชิดชูบูชาขึ้นมากน้อยอย่างไงแค่ไหนเท่านั้นเองในพระองค์ก็ลงมาเชิดชูบูชาพระพุทธศาสนาได้ส่งผนวตร์ในปีนั้นนี่แหละอันนี้ก็คือพระองค์ได้ทำทุกอย่างเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองจากนั้นพระองค์ก็ เ, เมื่อพระ อ, องค์เสวยครองราชวันแรกพระ อ, องค์ก็ประกาศว่าข้าจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้อ่านได้ศึกษาได้เรียนรู้พวกเราดูสิพระ อ, องค์มีความสัตย์จริงพระ อ, องค์ปกครองโดยธรรมจริงๆทุกอย่างพวกเรามองเห็นมองดูสิโงโครงการพระราชดำ ร, ริของพระ อ, องค์ พระพระบรมราชาิ์เพราะพระองค์น่ยท่านมากมายท่านบรรยายไปแล้วแล้วพระองค์ทําคูณุประการให้กับประเทศชาติอย่างมากดังในในทางพุทธศาสนาก็นี่แหละอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวสรุปแล้วผู้มีปัญญามากย่อมระลึกถึงบุญคุณผู้ทําคุณูประการได้มากพ่อมีปัญญาน้อยก็มองเห็น ได้น้อยถ้าคนไม่มีปัญญาก็มองไม่เห็นเหมือนกับคนสายตายาวน่จะมองเห็นรอบด้านรอบข้างมองเห็นได้ทั่วถึงได้ไกลนะถ้า ผ, ผู้มีสายตาสั้นก็มองเห็นในในได้ในระดับหนึ่งก็มองเห็นได้ก็มองเห็นสิ่งรอบข้างรอบด้านได้ถ้าผู้ตาบอดลมองไม่เห็น อันนี้เราจะเปรียบเทียบกับคนมีปัญญามากปัญญาขั้นกลางปัญญาไม่มีปัญญาถ้าคนไม่มีปัญญาก็อมองไม่เห็นคุณงามความดีของผู้อื่นใดทั้งหมดมองไม่เห็นกระทั่งบุญคุณของพ่อแม่ของตนเองเออมองบุญคุณของ พ, อพ่อแม่ของตนเองก็เอ้ยพ่อแม่ก็ไม่มีอะไรเพราะความอยากใน ก, กิเลสตัณหาท่านเองเราก็เสื่อมมาเกิดนะก็มองได้เพียงแค่นั้น เพราะไรเพราะว่าคนไม่มีปัญญาถ้าคนมีปัญญาแล้วก็จะมองเห็นได้ว่าถึงยังไงพ่อแม่ไม่มีลูกก็อยากจะได้ลูกพอลูกเกิดขึ้นมาแล้วก็ประครบประงมดูแลอย่างดีตามอัตภาพดีที่สุดนะดูแลลูกของตอนเองเพราะฉนั้นเมื่อเราเกิดมาจากพ่อจากแม่แล้วพ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณท่านจึงบอกว่าเมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้ว เลี้ยงท่านตอบทากิจโทรของท่านดำรงวงศกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศสวนกุศลให้ท่านอันนี้คือเป็นหน้าที่ของบุตรธิดาบุตรหญิงบุตรชายจะต้องคิดนี้ก็เหมือนกันเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยอยู่ใต้ร่มโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จของพระรมราชินี ของพระรบพระบรมวงศานุวงศ์พวกเราได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขถึงขนาดนี้ต้าจะเปรียบเทียบกับต่างประเทศของเข า, เาประเทศของเราไม่ด้อยกว่าประเทศเหล่านั้นเลยเที่พวกเราคิดดูสิที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเพราะนั้นพวกเราถือได้เกิดมาในปฏิรูปประเทศประเทศอันสมควรคงจะได้ทาบุญไว้ในอดีตแต่ชาตินะ อ, อย่างยง คุณกิติพูดเมื่อกี้นะะ่ยสวรร์ชั้นนั้นสวรรค์ช้นนี้หลวงพ่อก็ฟังฟังอยู่นะพวกเราจะเลือกเอาวสวรรษชั้นไหนล่ะท่นนี้นะเราจะไปเลือกไปทางนรกก็แล้วกันนะให้เลือกไปทางสวรรค์การที่จะเลือกไปทางสวรรค์คืออะไรคือคิดดีทดําดีพูดดีถ้าคิดก็ให้คิดดีถ้าทําอะไรก็ทําไปในทางที่ดีไปในทางที่ศีลธรรมการพูดอะไรก็ตาม พูดไป็นในทางถูกต้องเป็นศีลธรรมคิดดีในทางพระพุทธศาสนาท่านคิดให้คิดอย่างไรท่านบอกว่าไม่ให้คิดโลภอยากจะได้ของเขานะคล้ายๆว่าคิดโลภคิด อ, อยากจะได้ของเขาโลภอยากจะได้ของเขาไปป้นไปจี้ไปคดไปโกงไปเบียดไปบังนี่มันออกไปจากความโลภในใจิตใจเราจะไม่โลภอยากจะได้ของเขา ไม่พยาบาทปองปรองร้ายเขาหนึ่งพยาบาทคือโมโหโกธาอิจฉาเอพยาบาทอาฆาตจองเวนเอออันนี้เลยว่าเออพยาบาทปองร้ายเขาหนึ่งแล้วก็เห็นผิดจากทํานองครองทำทำําดีไม่ได้ดีทําชั่วไม่ได้ชั่วนรกสวรรค์ไม่มีตายเล็บศูนย์เออคนบิดามารดาครูอุปชาไม่มี อ, อไม่เลือกถึงบุญคนใครเลยอันนี้เรียกว่าคิดอคิดที่เป็นบาปคิดประจีมโนกรรม อ, อโลภอยากจะได้ของเขาพยาบาทปอกร้ายเขาเห็นผิดตรงที่เห็นผิดนเห็นผิดจยากทำนองครองทำอันนี้ก็คือความคิดนะสัตยาญาติอยู่ความคิดเนี่ยเป็นต้นหลักเป็นต้นหลักของทั้งสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ถ้าพวกเราคิดเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วนะคิดไปนในทางที่ถูกแล้วนะเราอยู่ในสถานที่ใดล่มเย็นเป็นสุขการกระทาก็ถูกต้องถ้าเมื่อเขาเราคิดถูกนะถ้าเราคิดผิดสคอย่างเดียวนะการกระทาก็ผิดการพูดก็ผิดนะเอเมื่อคิดขึ้นมา เ, เป็นบาปอากุศลแล้วนะไม่เชื่อบุญเชื่อบาปแล้วเราจะฆ่าใครก็ได้ทนะเีเรากลัวแต่กฎหมายอย่างเดียว ถ้าว่าอยู่ในที่ับเขาฆ่าใครก็ได้แต่ถ้าว่าคนคิดดีคนมีศีลธรรมนะเมื่อเราไปฆ่าเขาเขามาฆ่าเราเรามีความทุกข์ใจไหมในเมื่อเขามาฆ่าเราเราก็ทุกข์ใจในเมื่อเราไปฆ่าเขาล่ะเขาก็ทุกข์ใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นการฆ่ากันไม่เป็นผลดีอันนี้ก็คือสินข้อเออคือการกระทำานะ่ า, าเออจวักกายกรรมอะไรเนี มนโนกรรมนะคือความคิดกายกรรมนะคือเราไม่คิดฆ่าคนอื่นเราไม่คิดขโมยคนอื่นเราเคารพจิตสามีภรรยาคนอื่น เ, เราไม่ดื่มสุรา อ, อ, อันนี้ก็คือความกายกรรมไหวจีกรรมคือการพูดเราจะไม่พูดบดพูดส่อเสียดพูดคําหยาพูดหาสาระประโยชนไ์ไม่ได้พูดเพอ้อเจอ้ะ โลกพูดยุยงคนให้แตกแยกจากกันให้ให้ทะเลาะกันด้วยวาจาของตัวเองพูดให้คนยุโยงให้มันแตกกันอันนี้เลยเพราะวาจาวจีกรรมคือการกระทําในทางคําพูดนี่แหละหลักของพุทธศาสนานะคณะรัตยาติโยโลกหลานแต่ถึงยังไงก็ตามเลสรุปลงได้สรุปลงได้ว่าอัอากัตังทุกตังเสยโยอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าว กรรมชั่วคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วอย่าทำเสลยดีกว่าเมื่อเราคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วลงไปแล้วกรรมชั่วจะให้ผลตนเองนั่นแลจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะฉะนั้นขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านนะเป็นพุทธศาสนิกชนหลวงพ่อว่าพวกเราเป็นผู้มีบุญเป็นผู้โชคดีได้เกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยอยู่ใต้ร่มเงาพระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แต่บัดนี้พ่อของเราปู่ทวดของเร า, เาได้ส่งเข้าสู่สวรรค์าคาไลยไปแล้วพวกเราในฐานะลูกหลานประสบนก่อนควรจะเป็นคนดีนะที่นีนะควรจะเป็นคนดีอย่างหลวงพ่อพูดมาหลายครั้งหลวงพ่ออยู่ที่เมืองอุดรในเมื่อหลวงตามหาบัวของเราเนะี่ยท่านจุุตินิรพานท่านมรณภาพลงไปนะ ศรีละสังขารของท่านก็เก็บไว้เพื่อจะบําเพ็ญกุศลจากนั้นพี่น้องประชาชนก็หลั่งไหลเข้ามาเคารพสักการะในศรีละสังขารขององค์หลวงตาท่านมารณะภาพเดือนมกรานะจะท่านก็ไปชุมเพลิงปลายเดือนมีนากลางเดือนมีนาในลักษณะที่ศรีละสังขารหลวงตายังอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดนะพี่น้องชาวอุดร อยู่ในอุดรหลวงพ่อได้ไปฉันที่ร้านอาหารร้านใหญ่ร้านหนึ่งของเมืองอุดร เ, เขาเจ้าของร้านเขาบอกว่าเขาได้มอบพระไปเยอะนะเด่้าบกิองค์วันนั้นนะ่ะท่านเขาเขาเขาพูดว่ า, าครูวาอาจารย์ในขณะที่ชรีระสังขารองค์หลวงตายังอยู่ยังไม่ได้ประาชทานเพิง ที่น้องประชาชนชาวดอนมาทานอาหารมาซื้ออาหารมาทานอาหารเย็นแต่ก่อนเขาก็ถืออาหารก่อเลี้ยงเหล้ากินเหล้ากันตามปกติแต่ขณะที่จรีและสังขารองหลวงตายังอยู่ยังไมตเพชรพระสทานเพลิงนะั้ไม่มีใครซื้อเหล้าเลยไม่มีใครกินเหล้าเลยมาทานแต่อาหารเสร็จแล้วก็ดื่มน้ําส่งน้ําหวานตามปกติก็ออกไปเหล้าขายไปออกอกูบาราจา์ อันนี้คือหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่ อ, อยังปลื้มใจว่าพี่น้องชาวอุดรของเราเนี่ยยังให้ความรักเคารพในปู่ย่าตาทวดในปู่ปู่ทวดของตนเองที่องค์หลวงตาท่านดุตินิรภานท่านผู้มีพภพคุณุปการต่อจังหวัดต่อประเทศชาติพวกเราในฐานะลูกหลานยังลาลึกถึงพระคุณของท่าน เ, เมื่อดื่มสุราเข้าไปแล้วอาจจะถล่มในการทําความชั่วเสียหายเพราะมันขาดสติในเมื่อคนขาดสติแล้วทําให้เสียหายได้ง่ายเพราะนั้นลูกหลานพยายามทําตนประคับประคองตนให้มีสติสัมปชัญญะแล้วก็จะไม่ทําความชั่วหลวงพ่อมองเห็นพี่น้องชาวอดอนแล้วข่าวนั้นหลวงพ่อจะปลุมใจลึกๆในใจของหลวงพ่อว่าอืม้มผิดน้องชาวอดอนของเราเ อ, อย่างลาลึกถึงพระคุณของหลวงตา ที่ได้ยินร้านอาหารพูดไม่ใช่ร้านเดียวทุกร้านในอุดอรขายเหล้าไม่ออกขายเบียร์ไม่ออกเพราะอะไรเพราะงดคืนดื่มเบียร์ดื่มโซราเพราะสิริละสังขารองคโลกตายังอยู่ยังไม่ได้พระราชทานเพลิงนี้ก็เหมือนกันนะพระบาทสงเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมศพของพระองค์อยู่ในบรมโกศพวกเราคณะประศบนิก่อนทั่วประเทศไทย หลวงพ่อว่าน่าจะยึดถืออย่างนั้นสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าทำอย่าพูดในเรื่องสิ่งที่มันไม่ดีควรจะสํารวมกายว่ า, จาใจของตอนเองเออถึงจะอยู่ในครอบครัวก็ให้ระมัดระวังในคำพูดในสามีภรรยาลกูกหลานลูกน้องบริวารท้งพวกน้องบริวารก็เหมือนกันก็พยายามสํารวมตัวให้เป็นคนดีให้เป็นพนักงานที่ดี จะเป็นพระสงฆ์ก็เหมือนกันก็ให้สำรวมกายว่าจะให้เป็นพระสงฆ์ที่ดีใครอยู่ในสถานที่ใดพวกเราได้รับการศึกษาด้วยกันทุกระดับเพราะในการเรียนในการศึกษาเพราะนั้นดีชั่วพวกเราคงควรจะรู้ได้แล้วนะ เ, เมื่อเราเป็นลูกเราก็จะเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เมื่อเราเป็นพ่อเป็นแม่เราก็จะเป็นลูกจะเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกของหลาน นี่แหละต่างคนต่างเป็นคนดีในช่วงนี้แหละหลวงพ่ออยากจะให้ปอดความชั่วทั้งหลายทั้งปวงที่ว่าพี่ภาคสาอายการทั้งหลายหรือตำรวจทั้งหลายเนี่ยให้ให้ว่างจากงานเลยเพราะงั้นแหละเพราะเหตุอะไรเพราะว่าพวกเราไม่ทําความชั่วเสียหายในประเทศหลวงพ่อว่าจะเกิดประโยชน์อันนี้คือการบูชาพระคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่พวกเราจะยกจุดเทียนก็เถอะ กล่าวสลอเสริญพระปรบีอย่างไรก็เถอะพอออกมาตีหัวกันกินเหล้าเมายาทะเละวิวาทกันอันนั้นไม่ใช่ปฏิบัติบูบชานะถ้าปฏิบัติบูชาแล้วก็สํารวมกายวาจาใจของตนเองอย่าไปทําความชั่วเสียหายให้ใหรักเคารพเมตตากันมีอะไรจะเกือมีอะไรเกื้อกูลหนุนกันเมื่อพ่อของเราอย่างระสศพของพ่อของเราอย่างอยู่ ในพื้นแผ่นดินเพราะยังไม่ได้ประชุมพระราชทานเพลิงถ้าว่าพวกเมื่อพระวิญญาณของพระ อ, องค์ท่านเห็นพระสพในกรทุกหมู่เหล่าปฏิบัติตนอย่างนี้ท่านถึงจะเป็นเทวบุตรเทวดาจูชั้นไหนก็ตามท่านก็คงจะพร่มปีติยินดีกับบรรดาพระสพนิกรของพระ อ, องค์ท่านเพราะฉขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะทีหลวงพ่อพูดทางนี้ทางนั้น หลวงพ่อมีแนวความคิดอย่างนี้นะให้บอกกล่าวให้กับคณะสัตยาธิโจมแต่หลวงพ่อเองหลวงพ่อพ่อเองจะพยายามทำดีสร้างคุณงามความดีแผ่เมตตาไหว้พระสวดมนต์อุเทนสวนกุศลแล้วก็แผ่เมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นจงเป็นสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนา ทุกๆดวงวิญญาณทุกๆดวงใจทุกๆท่านในอันนี้หลวงพ่อมนมีอยู่ในจิตใจของหลวงพ่ออยู่ตลอดนะนี่แล้วขอให้พวกเราคณะสัตายาิโยมโลูกหลานนะเนาให้พิจารณาอย่างที่ปฏิกระทอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเอาตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพรในเนะสนีเนาะ